เรืองพรามผู้มากด้วยศรัทธาและมีปัญญาประกอบพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในเจตวันทรงปรารบพรามผู้มากด้วยศรัทธาผู้หนึ่งดังได้สดับมาวันหนึ่งพรามนั้นออกไปแต่เช้าตรู่ได้ยืนลาดูหมู่ภิกษุห่มจีวรที่นั้นมีหญ้าเปียกน้ำค้างชายจีวรเปื้อนแล้ว เขาคิดแล้วก็ทำบริเวณนั้นให้เตียนวันต่อมาเขาเห็นพื้นดินมีฝุ่นชายจีวรภิกษุเปื้อนฝุ่นจึงคิดจะเอาทรายมาเกลี่ยลงภายหลังเขาเห็นภิกษุเหงื่อไหลเพราะแดดกล้าเขาสร้างมนดบในที่นั้นและวันต่อมาฝนตกรพรมภิกษุมีจีวรเปียกเขาได้สร้างศาลาในที่นั้น แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายพัตตาหารพระสัสดาทำอนุโมทนาและตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละน้อยน้อยทุกๆขณะโดยลำดับพึงกำจัดมนลทินของตนได้เหมือนช่างทองเป่าสนิมทองฉะนนั้นในการจบเทศนา พรามนั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิพล